งานทสบายเสร็จแล้ววะมีอะไรอีกเสร็จแล้วใช่ไหมอืมงานทำสบาย สินะ่งเลยอยากฟังเป็นอะไร <c oughs> ทานกดเครื่งทานก็หมดละไดบก็หมดลอื ม, อม วันนี้เป็นวันสำคัญอ <c oughs> ย่างที่เราเข้าใจจริงๆไม่ใช่สำคัญวันเดียวมีวันสำคัญสองเรื่องในวันนี้ <c oughs> วันแรกก็คือ <c oughs> สดงอนอุาร์ปฏิโมกคือเประเจ้าประกาศหลักการอุดมการแล้วก็วิธีการ <c oughs> วิสัสนามั้เรามีหลักการอะไรนี่อยู่รวมการคือเป้าหมายสูงสุดคืออะไร <c oughs> เราก็วิธีการที่เข้าไปถึงเป้าหมายอันนั้นคืออะไรพระเจาพูดไว้ชัดเจนซึ่งรายละเอียดพวกเราก็รู้กันหมดแล้ววันที่สองก็คือ <c oughs> เป็นวันที่พระเจ้าคลายวันพระเจ้าปลงพระชนมยุสังขาร คือบอกว่าจานนี้ไปสามเดือนเราจะนิพพานแล้วนับผู้เจ้าบริพานในวมนเสาร์เดือน 3, อี้เปเดือนสามอีกสามเดือนก็เดือนหก <c oughs> นั้นผู้เจ้าตัดหรือกล่าวไว้ล่วงหน้าถึงสามเดือนจริงๆมันไม่ใช่สามเดือน <c oughs> ก่อนนั้นนั้นพยายามที่จะบอก <c oughs> พระอานนท์ หลายครั้งหลายคราที่แสดงนิมิตเออพระอนุก็ไม่เข้าใจเพราะว่าพระอนุ์ยังไม่ได้เป็นพระอระหันต์เป็นแค่พระโสดาบันอยู่ <c oughs> พระอน์ลในสำเร็จหลังผู้จายบริพาน์แล้วที่เป็นพระอระหรันต์ยังไงพระอนุก็ไม่เข้าใจ <c oughs> จุดสุดท้ายทุกองออกปากว่า <c oughs> จากนี้ไปอีกสามเดือน ข้งน้าเราจะบริหานแล้ว <c oughs> แสดงว่าผู้เจ้ารู้ล่วงหน้า <c oughs> หลายเรื่องพวกผ์ก็ไม่ได้พูด <c oughs> ไม่ได้พูดไปรื้อเปลือยพูดง่ายไม่ได้พูดไปพั่มเพื่อ <c oughs> ไม่ได้การทักพระหรือว่ารับรองพระก็ะตาม <c oughs> รับรองคนนั้นคนนี้คนโน้น พ่อขก็ไม่ได้รับรองกันพเพื่อไม่ได้กันมองเห็นต่างๆทัง้งหลายเลยถ้าไม่มีพยานบุคคลท่านก็ไม่พูดอันนี้คือเป็ตนตัวอย่างนี่คือพระพุทธเจ้าไม่ได้คําเทศนาหลายๆเรื่องมันก็มีเหตุปัจจัยหลายเรื่องที่เกิดจากการถามของชาวบ้านครับผู้สงสัยมาถามพระพุทธเจ้า เพื่อแต่จะแสดงให้ฟังเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยทั้งปัจจุบันแล้วก็อดีตข้อบกคร่นั้นๆดูรายละเอียดว่าทําไมเป็นทําไมที่เป็นอย่างนั้นทําไมเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะยิ่งคือคนที่เกี่ยวข้องกับพระองค์อกี่ยวสาวกแต่ละองค์ทําไมไม่เหมือนกันทําไมไม่เท่ากันปฏิปทาบางองค์ก็มักน้อยสันโดษบางองค์ก็ผ่าสามพื้น มางคนกันในสดฉีเป็นวัดเลยจนตายน้ำภาพอย่างนี้เป็นตน้นบางคนก็ไม่ขุกคีดก่ด้วยหมูชอบอยู่องค์เดียวปีกวิเวทไม่ขุกคีกับหมูคณะ <c oughs> ปฏิปทาแต่และอย่างไม <c oughs> ่เหมือนกันผู้จะก็จะเล่าถึงก้นหลังว่ามันมีเหตุปัจจัย <c oughs> ก่อนหน้านั้ น, น, นองค์นี้องค์นี้ท่านปฏิบัติมาอย่างนี้ท่านทํามาอย่างนี้จน ปกติจะเป็นนิสัยอหลายครอบหลายชาติแล้วอืทีนี้เป็นอย่างนั้นท่า น, นแต่ละองค์จะเห็นว่าพระองคพูดไม่ขี่คําไม่ขี่ประโยคเข้าใจทันทีอเจ็ดกันแค่พูดกั่คําว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงย่มอมมีความรับเป็นธรรมดาก็เข้าใจคนแรกคือทันยากุลทนยักษ์ก็เข้าใจก็ <c oughs> ได้ผลคนเดียวที่เป็นนั้นก็รรมเหตุปัจจัยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันกระนัะ้นเจ้าจะเอามาพูดว่าทําอย่างนั้นผู้จะตัดแค่นี้แล้วก็สํนใจได้ทําไมไม่เอาของคนนี้มาพูดมากล่าวมาย้ํามันไม่ใช่ <c oughs> คนละเรื่องคนละคนมันใช้ด้วยกันไม่ได้ <c oughs> แต่เราสามารถทธิเรียนรู้ <c oughs> ในการแสดงแต่ละครั้งแต่ละคน เาพระองค์เน้นเรื่องอะไรเริ่มต้นจากคนที่ไม่มีหลักคือไม่มี <c oughs> <c oughs> พื้นฐานมา ก, ก่อนคาว่าพื้นฐานในสิ่นี้หมายถึงความเชื่อความเชื่อในสนิ่งนั้นหลักๆ ก, ก็คือพรา์เราต้องเข้าใจตรงกันพราบแล้วก็เชื่อว่ามีผู้สร้างผู้รักษาผู้ทาลายนี่คือความคิดหลักๆเลยของเขาแล้วทุกคนก็เกิดจากพราบ <c oughs> พรอมก็เกิดจากพรม <c oughs> ก็บความหมายเดียวกันแล้วก็มีเป็นชั้นรชช์ั้นอย่างที่เราเข้าใจ <c oughs> นี่คือความเชื่อดังเดิมนอกจากนั้นยังมีหลากหลายความเชื่อความคิดที่ผิดแปลกแกนวก่อนไปเช่นบางคนบางคนเชื่อว่า <c oughs> ตายแล้วศูนคือไม่มีผลอะไรบางคนเชื่อตายแล้วเกิดเข้าก็โต ว, วาทะวาทีกัน เอาชนะคารคานก็ด้วยเหตุด้วยผลเพราะนั้นสมันยนั้นจะมีครูเรียกว่าศาสดาเยอะเยอะมากแต่ละคนแต่ละท่านก็มีรู้สึกเยอะแยะมากมายโมฆะลาสารลบุตรก็มีอาจารย์นองท่านสัญชยัย <c oughs> ลูกศิลูหหาเยอะไม่ใช่ในน้อยที่ไปฟังธรรมก็ไม่ใช่ในน้อยถึงแม้ตอนหลังรู้สึกไปบอกว่าตอนนี้ใ <c> น <oughs> พรบูติจาแล้ว <c oughs> ถ้าจะไปพบผู้เจาไหมจะไปฝาทางผู้เจ้าไหม <c oughs> ด้วยความที่เป็นมาณฑิทิปเป็นอาจารย์เป็นลูกศิลป์ลูกหาันเยอะเสียสละมันก็ดูอะไรแต่ก็ในในตอนที่เป็นอาจารย์ยคนการตอบ <c oughs> <c oughs> ก็มีระยะมีความหมายอาจารย์ของท่านท่านสันชัยก็กตอบว่าท่านถามว่า <c oughs> ก็จะเห็นว่าการตอบคาถามของผู้เชี่ยวประามของนักปราชญ์ราชบัณฑิตในสมัยนั้นก็ตามการตอบคําถามของท่านจะไม่เหมือนพูดคําตอบคำํำก็จะตั้งคำถามก่อนแล้วนะให้ผู้ถามไปผูดต อ, อ, เอบเหมนเสลิโกรดมอกลานะถามว่าตอนนี้พผู้เชี่เกิดแล้วไปฟาตามผู้เชี่ยวไหมาำ <c oughs> ถามว่าต้องถามในโลกนี้ <c oughs> ระหว่างคนง้อกับคนฉลาดใครมากกว่ากันเนี่อาจารย์รับประัอาจารย์ถามสรีดุลยบุคลาก็ถามว่า <c oughs> ก็ต้องตอบว่าคนฉลาดมีน้อยคนง้อมีเยอะนั่นแหละคนฉลาดก็ไปหาผู้เชี่เจ้าเถอะแต่ยังมีคนง่ออีเยอะที่จะปวดไม่ได้ตามไมได เขาให้มาเรา <c oughs> เราก็อยู่นี่อย่างน้อยที่สุดก็คือช่วยเขาได้ในระดับหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เพียเราก็จะอยู่ของเราอย่างนี้ออืพูกเธอไปก็ดีแล้ว <c oughs> นี่คือวิธี ต, ต่อคําถามจะไม่ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงหรือว่ายกตนข่มท่านหรืออะไรลักษณะเขาปรมาจารย์เขา ต, อ, ตอบก็ตอบกันอย่างนี้ <c oughs> นี่คือผู้มีสยยติปัญญาตอบสุดท้ายก็ไม่เจอผู้ที่เจ้า ไมิไ้ชกุชาเพราะนั้นในสมัยนั้น <c oughs> กนดีฉลาดเยอะมากแต่คนที่เจอพุดีเจ้าแล้วเชื่อฟัง <c oughs> ก็ไม่ทุกคนมันก็มีเหตุปัจจัยแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเมาะนั้นที่บอกทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยมันไม่ได้ชอบองเอื่นมาพบมาเจอกันเราพูกเราเกิดมามรู้คีปภกุกีชาติแล้ว ก็ต้องถามมาตั้งแต่พู้เจ้าพ ร, ริธีพานแล้วณเวลานี้ก็ 2,000 ค <c oughs> รับหัว65ปีแล้วเบวกอีก30หรื80ปีที่พระเจ้าพ ร, ริธีพานพราะศได้ตั้งหลักพระเจ้าพริธีพานเราก็บอกอีก80ปกีก็ร่วมกไป 2,000 5,206 กว่ากันแล้วมาแั้วช่วงระยระเวลาเราก็ยังได้ยินกรบาอาจารย์ คือคนในสมัยนั้นเหมือนกันมาเกิดในยุคเราเนี่ยก็มีเยอะที่เป็นกรูบาอาจารย์เราไม่คิดดูทีสองพันกว่าปีมาแล้วเวียนว่ายตายเกิดเป็นสาเป็นไม่รู้จะเป็นอะไรต่อเป็นไหนไกว่าจะมาถึงยุคนี้อยู่เรา <c oughs> ถึงได้มา <c oughs> เข้าใจศาสนานจอย่างจริงจังหรือประสบการสำเร็จใช้เวลาสองพันกว่าปีดูขนาดเจอพระเจ้าในยุคพระเจ้า ยังไม่รับประโยชน์จากการพบกันเจอพระพุทธเจ้าเลยวัะนั้นถึงไม่ง่ายมันพวกเราทั้งหลายแต่โชคดีที่เจอผู้ศาสนาเราไม่เจอพุทธเจ้าก็ยังให้เจอหน่อเ น, นืเอ้อเชื้อไขศาสนาทายาทธรรมบทของพระพุทธเจ้าที่สืบเนื้อต่อเนื่องกันมาปฏิปทาทั้งหลายเลยก็ได้เอาเยี่ยงเอาอย่างพระพุทธเจ้า โดยพระองค์่งคือชัดเจนที่สุดก็คือหลวงปู่มั่นุริธาตุหลวงปู่มั่นไม่ใช่คนไม่มีปริยันนตนะเเข้าใจเข้าใจผิดครูเจ้าหลวงูม <c oughs> ัออ่นเนี่เป็นคนที่เรียนปริยัตจนแตกฉ้นโดย อ, อนนมีละเอียดลเลือน้อยละเอียดมากแล้วค <c oughs> รู อ, อาจารย์สมัยเก่าท่งบอกไม่ไ ม, มีปริยัตินะเราเข้าใจผิดเขผิดมากๆหลวงปู่ม้าปู่เสา มุ่ง ม, มันแล้วก็ลูกศิลุกรุ่นหลังๆบอกไม่เรียนหนังสือไม่มีปริญญาแต่นเข้เราเข้าใจผิดไอ้ที่สำคัญคือคําว่าปริญญาเนี่ยเราเข้าใจผิดกันมันเยอะเยอะมากเราเข้าใจว่าปริญญาคือการเรียนหนังสืออ่านหนังสือสอบผ่านหรือไม่ผ่านคืออะไรคือปริญญานั่นคือสิ่งที่เราเข้าใจเพราะนั้นพระที่เรียนหนังสือก็ถือเป็นภาพปริญญาไม่ใช่ปะปฏิบัติ เราก็จะแยกกันอย่างนี้ น, นี่คือข้อเสียไม่ใช่เสียธรรมดา <c oughs> จนกลายเป็นข้อแตกแยกกลายเป็นพระเรียนพระม่เรียนพระเมืองพระปลาที่ตามมาตัวเนี้ยก็โดยจากแนวความคิดอันนี้ <c oughs> แนวหลักเดิมจริงสมัยผู้ดการสมัยผู้ช่วยเจ้านะครับว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทไม่ได้ไหมายถึงสมัยนี้เพราะสมัยก้อนมีตําราที่ไหนมีการเรียนรู้อย่างพวกเรานรงมีพระใจจะเด็กตรงไนไม่มี มันเกิดขึ้นที่หลังนนทั้งนั้นดังนั้นถ้าจะบอกว่าคนที่เรียนปริยัติเือบแล้วเต้นไปตกนเป็นคนปริยัติเราเข้าใจผิดเขาปริยัตในการเรียนฉันใช้ภาพรวมรว่าเสะขะบุคคลคือบุคคลจะต้องเรียนรู้ไมนได้แปล เ, เรียนเพราะการอ่านการจํำคือเราจะต้องเรียนรู้อีกเยอะนี้นเราเสะขะบุคคนพูดง่ายๆก็คือตราบใดที่เรายังไม่สําเร็จมากกว่านิพาน เบื้องต้นจากสวดาขึ้นไปเป็นต้นนะก็เชื่อว่าเราจะต้องเป็นเสกขะต้องเรียนอยู่เมื่อเป็นพระอาหารหันต์เมื่อไหร่นั่นจะเป็นอัเสกขะคือไม่ต้องเรียนอะไรแล้วต้องมีการเรียนรู้อลไรแล้วคือจบแล้วพูดอย่างไรเนี่ยอันนี้คือความรู้นักเดิมในสมัยโบราณสมัยโบราณเป็นอย่างนี้ถึงปัจจุบันเราก็เข้าใจแตกกว่าปะเทศคนลา ท, ทางแยกแนวออกข้ออากาศปริยัดนี่แหละเป็น <c oughs> ศึกษาตนต่อ หรือที่มาที่ไปอย่างแท้จริง <c oughs> และที่สำคัญคือเราไม่ได้เอาพุะดิจ้าวประธรรมประสงค์เป็นหลักอย่างแท้จริงคือไม่ได้เอาแนวในการปฏิบัติอย่างแท้จริงคือมาใช้กชระชิดปัจําบันสุดท้ายล้วก็เอาปริยัตินั่นแหละเอามาใช้ประยัติก็ไม่ทั้งหมดรู้ก็รู้ไม่จริงครึ่งกลางๆแล้วก็บอกต่อสืบทอดกันมา ต่างกับเจ้องค์ทดสอบทดลองเรียนรู้ด้วยตนเอง <c oughs> จนเข้าใจไม่ใช่ทฤษฎีแล้วก็มามัสอดกันะเพราะฉะนั้นครูเจ้าในสมัยพุทธกาลเดือนเสร็จก็ก็จะทำว่าจะเอาสามถารุปัสสนาตั้งใจคำนี้ตั้งใจกับปริยตปฏิบัติเจ้าสมถารืุปัปาสาปสนาอแต่ใครมีเยอะผนุ่มมันน้อยอยู่ก็เอาเรียนก่อนแต่ถอา <c oughs> ตอ้องการที่ปฏิบัติจริงๆท่านก็ให้แนวแนวแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันพู้เชาท่านรู้ว่าคนที่จะต้องทํำยังไงเริ่มต้นยังไงเรียนยังไงผู้เช่าเท่า น, นั้นที่ทําได้พ่อของบอกว่าแก่แล้วไม่ <c oughs> สามารที่จําอะไรได้เยอะพ่อของก็ให้ก็ไม่ขียนคำไม่เป็นประโยคเอาไปปฏิบัติเอาไปพิจรารณาอย่างนี้เป็นตน้นนั้นคำว่า ป, ปริยัต มัโดยความหมายที่แท้จริงพระราษฎรนี่ก็คือปริยัติกันหมดอ่ะไม่มีใครที่ไม่ได้ปริยัติมันขาดไม่ได้ปริยัติไว่าเป็นพระเมืองพระประ่าพระอะไรก็แล้วแต่แตอนนี้เรามามุมมองว่าในฐานะที่เราปริยัตนถึงครั้งแรกในการบรรพชาสมบทนั่นก็คือการบรรพชาก็หมายถึงแนวมุ่งไปงในยุคเราอสมบทมมติพระ ผู้ดูแลก็บทน <c oughs> ันบทพระกิจบ่งต้นในการบทนันก็คือการปฏิญาณตนถึงพระ ร, รัตนใจถึงพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งเพียงแค่นี้ก็เป็นสนามเณรแล้วคือเรียกบารประชาสำเร็จแล้วส่วนสิบสิบเป็นที่เขาปฏิบัติหมายว่าสนามเณรจะต้องปฏิบัติสิบข้ออันนี้เป็นหลักแต่ความเป็นสนามเณรแค่ถึงพระรัตนใจครั้งที่สามจลึเป็นสนามเณรแล้ว สามัญเรนคือสมมามัญะเรีนแปลว่าหลอกคสมณะสมมามัะก็คือผู้สงบสงบอะไรกายสงบวาจาสงบใจสงบนี่คือสมณญะในความหมายก็ส ม, มณะที่แท้จริงไม่ใช่ส ม, มณะสารูปอย่างนี้นี้ถ้าเอาหลักหลักใจใจความจริงเราเคารพพระพุทธเจ้าเคารพประธรรมเคารพพระสงฆ์อย่างแท้จริงวันนี้เป็นวันอะไรเรต้องให้ความเคารพ ให้ความนับถืคอความศรัทธาทุกคนต้องพร้อมเพียงกันมาน้อมระลึกนึกถึงเรากำลังดูแต่ละคนขนาดวันสำคัญเราอย่าไม่ให้ความสำคัญเลยทุกฝ่ายก็ต้องมาทบทวน ต, ตัวเอง เ, อาเ่าอที่เราปฏิ ญ, ญาณตนพระพุทธเจ้าขอถึงผู้เจ้ า, ราพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นหลักแล้วมันคืออะไรพระพุทธเจ้าคืออะไรถึงหรือยัง เข้าใจอย่างพระพุทธเจ้าคืออะไรพระพุทธเจ้าไม่ใช่เจ้าชายที่าเราไปมองที่พธจ้พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธรูปอาพุธรูปเป็นที่ตั้งก็ถื่าเป็นพระเจ้าแล้วไหว้พระพุทธรูปอะไก็เหมือนกับไหว้พระพุทธเจ้าเราเข้าใจกันนี้มานานเข้าใจพพเจ้าคือพระพุทธรูปจบละพุทธรูปะคือรูปเปียบของพระพุทธเจ้าแต่โดยความหมายทีเข้าใจถึงพระคนของพระพุทธเจ้าต่างหา คือคนอสมบัติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีคุณสมบัติอะไรนั่นต่างหากที่เราจะต้องดึงออกมาใช้เริ่มแรกจากพระปัญญาที่คนผู้ชยายบาคนมีปัญญาฉลาดจนอัจฉริยบะบุคคลเป็นคนฉลาด อ, อืน น, นเราเราตถือบุคคลที่ฉลาดที่สุดในโลกเอเบิร์อาสตัยแต่ว่าฉลาดแล้วก็ยังยอมรับของพระพุทธเจ้าคิดดู กาถือว่าฉล า, าดแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นด้วฉลาดที่ผลิตออกมาสุดท้ายทำลายปรามนูเป็นยังไงบ <c oughs> ื้มทีอ่ปุ่นหายไปพิพิตาน่นก็คือฉล า, าดเหมือ น, นกันฉลาดกราทางฉลาดในการทำลายผลกระทบต่อเนื่องต่อมาก็ยังมีเนี่ยความฉลาด <c oughs> นักประดิษฐ์คิดค้นทาลายแหล่ที่ว่าฉล า, าด ผลิตมาเพื่อทำลายล้างซึ่กันแล้วกันอาวุธทั้งหลายแหลที่ผลิตขึ้นมาเพื่อประหารทหากันอันนี้คือคมฉลาดคนหนึงแต่ผู้เจ้าไม่ใช้ผู้จะเป็นนักรบที่ไม่มีอาวุธต้องใช้คําอย่างนี้เป็นไม่ทหารตำรวจเป็นตํำรวจทหารที่ไม่มีอาวุธได้เลยมีแต่มือเปล่าเท้าเปล่าไม่มีอะไรที่ต่อสู้ต่กอกรแต่ชนะผู้เชื่อไปตรงไหนชนะม เป็นนักรับชนะหมดชนะขาดชาะศัตรูเนี่ยนี่คือพุทธเจ้าแล้วตาพุทธเจ้าใช้วิธีอย่างไรสิ่งนี้ต่างหากที่เราจะต้องควรศึกษาควรเรียนรู้มาปฏิบัติก็เริ่มต้นจากธรรมดาชีวิตธรรมดาพุทธเจ้าของเราเป็นใครมาจากไหนในทางประวัติศาสตร์พเราก็รู้กันบุคคลธรรมดาทั่วไปเกิดธรรมดาแก่ธรรมดาเรียนธรรมดาแต่งงานมีครอบครัวทํางาน บริปกติในวัยยี่เก้าก็หันหน้าหันหลัง ห, ห, งหให้กเกษียณเรานั้งทั้งปวงคือเข้าป่าปกติเราสมัยโบราณมันจะต้องแก่แล้วถึงจะเข้าป่าเป็นแนวความคิดของพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์ก็มีแนวคิดอย่างนี้อยู่แล้วเป็นดั้งเดิมอยู่แล้วคนที่แก่แล้วก็จะเข้าบำเพ็ญตนบำเพ็ญพจอยู่ในป่ากินผลมะลารากไม้บำเป็ญตนเป็นลือศีเป็นนักพรก็มีแนวความคิดอย่างนี้อยู่แล้ว ไม่ใช่เกิดจากความคิดของผู้ที่เจ้าเองอะไรก็ต้องเรียนรับ <c oughs> เปเรื่องศาสนา <c oughs> แต่ผู้ที่เจ้าเข้าป่าก่อนวัในว้ยยี่สิบเก้านั่นเองตรจสอบทดลองสารพัดวิธีที่เราทำที่วันนี้ <c oughs> จนสุดท้ายประสบการณ์สำเร็จจาลองหลังก่อนนั้นก็ทรมานท่ารมา น, มา น, มานตุกอย่างคิดว่าทําอย่างนี้แล้วได้ผลทำอย่างนี้แล้วสุดท้าย ไม่ได้ผลทรมานจนเหลือแต่หนังหุ้มกรดูกหรือแต่ซี่โครงมันก็ไม่ได้ผลอะไรกลับมาสวยพระกุญญาหารจึนเข้าใจสุดท้าย <c oughs> <c oughs> สิ่งที่ อ, องใช้ก็คือลมหายใจหรือ <c oughs> อัดสาปัดสาสะโย้ว่าจะหายใจเข้าออกหายใจเข้าออ ก, ก่อนหายใจออกก่อนอันนี้เราก็ต้องไปทดสอบดูวา่าหายใจเข้าก่อนเป็นยังไงหายใจออกก่อนเข้าเป็นยังไง หมายถึงเริ่มต้นการหายใจซึ่งเราบอกรได้บทดลองเราฝากพวกเร า, เราทดลองดูว่า <c oughs> การที่หายใจเข้าก่อนแล้วค่อยหายใจออกกับหายใจออกสุดก่อนค่อยหายใจเข้ามันต่างกันอย่างไรเราก็จะเห็นขอ้อมแตกต่างในร่างกายหรือพูดอีกร่างกายหายใจเข้าธรรมดาหายใจเข้าลึกๆหรื ก, ก, ก, กันลงหายใจซึ่งผู้ชาใช้กั้นลมหายใจจนลมบ้องหูดู ลิ้นดันเพดานกัดฟันจนหน้ามดุดจนหูอื้อตาลาย <c oughs> <c oughs> ก็องค์เด็เข้าใจว่า อ, อ้สุดท้ายก็ใช่ลมหายใจเขาออกนี่แหละ <c oughs> อาศาัยสาสาประสาทศาสตรเข้าใจระบบ ก, การหายใจโอ้ตัวนี้ <c oughs> สุขทุกท ก, การเริ่มต้นการประสานในร่างกายทั้งหมดทั้งมวลก็เพราะว่าลมนี่แหละเป็นตัวประสานเมือ่อใดไม่มีลมก็ตามท่าทั้งหมดที่มีอยู่มันก็อยู่ไม่ได้ เหมือนยายแก้วที่นอนอังแมงอยู่ฝั่งโน้นตอนนี้ <c oughs> วันนั้นมีจัดงานเดี๋ยแก้วก็อยู่ได้ตั้งเก้าสิสี่ปีตอนนี้ไม่มีลมแล้วอื <c oughs> พวกเราท่เหมือนกันเราลองมาดูว่าวันหนึ่งสมมติเราไม่มีลมแล้วเนะี่ยโอ้หรือมีลมแต่ไม่มีสติเลยในขณะไหนที่มีลมแต่มีสติเวลานอนไงเวลากลางคืนอื กรณีมีลมหายใจแต่ว่าไม่มีสติคือะระลึกนึกไม่ได้มันก็ไม่ต่างอะไรนคนตายเพียงแต่ว่า <c oughs> มันยังมีลมหายใจท่านนั้นเองอื่นใช้ไม่ได้ตาก็ใช้ไม่ได้หูก็ใช้ไม่ได้ปากก็ใช้ไม่ได้ร่างกายอไรว่าอ่นใช้ไม่ได้เลยเพียงแต่ลมหายใจมันทำหน้าที่กับมันท่านนั้นที่เหลือที่เหลือทาสีคันห้าจากคันห้า มันใช้ได้แค่ขันสี่ขันแห่งร่างกายเนี่ยรูปเวทนาสัญญาต่างขันวิญญาณมันใช้ได้แค่สี่อย่างก็คือเวทนาสัญญาส่างขันวิญญาณส่วนรูปใช้ไม่ได้เลยหมาถึงเวลาเรานอน <c oughs> แล้วก็ไม่มีสติครอบงำครองร่างนี้ไม่สามารถที่จะรู้ได้เย็นดอนอ่อ น, ออนแข็งอื่นไม่มีเลยเวทนาก็ไปจับเอาเวทนาที่เป็นละเอียดอ <c oughs> คือรูปภายในรูปภายในมาจากไหน มันเข้าใจรูปละเอียดนั่นแหละแห้มันจําจากรูปละเอียดไปมันมโนมโนคือใจนั่นแหละมโนภาพคือภาพทางใจเกิดขึ้นนึกอะไรขึ้นมาภาพทางใจมันก็ปรากฏต่อไปขึ้นมาต่อไปมันก็จะตอนื่องไปซึ่งปกติเราในกลางวันเราก็คิดอยู่แล้วบางวันเราคิดสารพัดเรื่องเลยขณะนั่งอยู่ดีไม่รู้คิดแกมกี่ร้อยเรื่องแล้วแต่มันไม่มีภาพออกมาเป็นเงินนั่นเอง ตอนั้นเดี๋ยวเรานอนนึกขึ้นมาเพิ่มเลยเราจึงเรียกเสียงน้นว่าฝันเป็นสเปกว่าฟไปเรื่อยก็ใจที่เราเก็บเอาไว้บ้างใจเกิดขึ้นมาเองบ้างแต่สํดการันค์คือไม่มีสติในขณะที่นอนหมดไปกี่ชั่วโมงไม่รู้เช้าขึ้นมาขึ้นมาตื่นขึ้นมาอ๋อคือมารู้ตัวเห็นคําว่ารู้ตัวเราก็ยังไม่เข้าใจว่ารู้ตัวมันคืออะไร เพราะนั้นสองคำสองคำนี้ที่เราจะต้องฝึกในการปฏิบัติให้เข้าใจอย่างแจ่มชัดแท้แจจริงก็คือหนึ่งรู้ตัวสองตัวรู้ให้เข้าใจชัดเจนรู้ตัวเนี่ยเรียกว่าสัต์ปีคือเรารึนึกขึ้นไม่ได้อะไรกระทบหรือผัสสะก็รู้เรียกว่ารู้ตัวเพราะนั้นที่เราฝึก เ, เพื่อให้ฝึก เ, เรารู้ตัวก่อนถ้าเรารู้ตัวเองก่อน ไม่อะไรเกิดขึ้นก็โดยลมหายใจนี่แหละเคือการรู้ตัวคือสติมาอยู่กับตัวพูดง่ายๆไม่ไปอยู่ข้างนอกอันนี้คือประการแรกคือตัวสองเมื่อจุดจออยู่อย่างนี้สติไม่ไปไปไหนไปไหนก็ไม่เที่ยวออข้างนอกจากรู้ตัวจะกลายเป็นตัวรู้ขึ้นมานั่นแหละคือพุโทโธด้วยความหมายพุโทโธจึงแปลเป็ผู้รู้ตื่นผู้เบิกบาน ผูรู้กว่าเมื่อก่อนมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ก ล, กลายเป็นมีความรู้ขึ้นมาเดี๋ยวผู้รู้ผู้ตื่นก็เหมือนกับเรานอนหลับตอนกลางคืนจะรู้ ต, ตัวตัวมาก็เมื่อตื่นถ้าจะรู้ตัวแต่ถ้าเป็นพุโทโธแล้วจะเป็นผู้ตื่นคือจะตื่นตัวผู้รู้ผูตื่นผู้เบิกบานเมื่รู้อย่างนี้เราไม่มีว่ารต้อ ก, กังวล <c oughs> สดใสร่าเริงนี่คําว่าพุโทโธที่ครูบาอาจารย์ออกมาใช้ ไ ม, ไม่ในแปลวันนามของพระพุทธเจ้าตัพระพุทธเจ้าสองสองอย่างถ้าเราฝึกให้เห็นนะครับใจยังจาชัดตัวนี้มันรู้ตัวก่อนดีเกิดตัวรู้หรือว่าพุโทโธถ้าสองอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเราจะเข้าใจทั้งหมดทั้งมวลเลยทั้งหมดนี้จะรู้ตัวก็ตามเกิดตัวรู้ขึ้นมาก็ตามเบื้องต้นจากลมหายใจ เคยพูดอยู่เสมอสามพยางเนี่ยสำคัญที่สุดเท่าชีวิตเราเลยรานฝึกดูลมลมที่มันกระทบที่ปลายจมูกลมเข้าลมออกก็ให้รู้คาว่าดูนะที่ไม่ได้เพ่งมันแค่ดูเยอะๆมันเข้ายังไงมันออกยังไงเข้าไปถึงไหนออกมาทำไนให้มันเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ล้วจะเห็นสุดท้ายเราจะเห็นการเกิดการดับนั่นแหละ การเกิดการดับการเกิดการดับมันเกิดดับเกิดดับอย่งนี้พูดง่ายก็มันเข้าออกเข้าออกออกาออ ก, อ, อ, กอย่างนีน้แต่เราไม่รู้คือไม่รู้ตัวแล้วคือไม่มีสตินั่นเองลมก็หนวดลมไปเรื่อยๆเจอกับลมธรรมดาลมยาวลมสั้นลมกลางถึงบอกเมื่อกี้ให้ดูว่าเออลอหายใจเข้ากับหายใจออกอะไรมันสะดวกกับกันมายก็ว่าหายใจออกยาวก่อนหายใจออกหายาวหายหมดหมดเลยหมดมักเลยแล้วกันไว้ก็หายใจเข้า กับหายใจเข้าธรรมดา อ, อาอแอลา้วก็หายใจออกอะไรไม่สะดวกลองดูฝ <c oughs> ึกหายใจอย่างนี้แต่อย่ า, ยาไปเพ่งมันนะถ้าเพ่งมันเครียดมันเคร่งมันปวดมันปวดไปหมด <c oughs> ให้ดูมนธรรมดาอันนี้ขเราดูลมจากลมหยาบมันก็เริ่มละเอียดขึ้นลมกลางขึ้นมันเริ่มไม่ค่อยมั น, ม, นมันไม่อดันละมันเริ่มสบายสะกขะลมกลางๆอยู่แต่ลมละเอียด พอะเอียดปุ๊บเราเข้าใจอ๋อจิตมันก็จะเข้าใจนะมันก็จะลงจิตลงตัวจิตรวมตัวจะเรียกรวมใหญ่รวมน้อยก็แล้วแต่เมื่อจิตหลงตัวเนี่ยมันคิดหลมหายหลมที่มีอยู่มันหายเหลือแต่ใจแต่เนีเ่ยแสดงเข้าใจแล้วเหลือแต่ใจอย่างเดียวเราเข้าใจและวทีนะี <c> ้ <oughs> สภาวะใจจริงมันต้อมีอะไร ผู้ใจต้อบอกว่าจิตดวงเดิมมันพัสดระคือปาองใสทีนี้เราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราดูใจเห็นใจแล้วคือเห็นใจตัวเองแล้วทีนี้มาอยู่อะไรในใจเช่นศกขมบอนอยู่ในใจคือมาผสมอะเรียวศกใจแต่สติเรารู้รูอันนี้ศกใจทีนี้ถ้ามันไม่ศกใจมันก็ทุกสองเรื่องแค่นี้แหละถ้ <c oughs> ามีความทุกข์้ามามันก็บอกว่าทุกใจในชะ่ไหม ใจมันเข้าได้ทั้งสองข้างเลยนะสุขมันก็อยู่ได้ทุกมันก็อยู่ได้จะไปบอกว่าใจมไม่ดีไม่ได้แต่ถ้าเราเอาสุขเอาทุกออกใจมันไม่มีสุขไม่มีทุกหรือแต่ใจเฉยๆนั่นแหละคือความเป็นกลางต้องการให้เราเข้าถึงสภาวะอย่างนั้นถ้าใจเราไม่เข้าถึงกลางไปไหนไม่ได้ไปต่อไม่ได้ไปสูงกว่านี้ไม่ได้ไปไกลกว่านี้ไม่ได้เพราะเรายังติดสุขติดทุกขอยู่ในใจ ประสบเขามันชอบก็คือติดนั่นแหละปะทุเขามาไม่ชอบแต่ไม่รู้วิธีกําจัดคือวิธีเอาออกเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหลักการอย่างนี้แล้วอืมเราพยายามท่านใจเป็นกลางนะเราจะไม่โกรธไม่เกลียดไม่โลภไม่หลงคือใจมันไม่ข้างนอกมาเหตุปัจจัยต่อไม่เกิดเฉยๆที่จริงความโลภกวามโกรธควาหลงมันก็มีอยู่ทั่วโลกนี่แหละแดนโลกนั้นที่ไหนไม่มีมีหมด ความโกรธก็เหมือนกันความโกรธกับความหลงยี่เหมือนกันหมดแต่ <c oughs> ละคนมีเหมือนกันหมดีแต่ว่าใครเกิดขึ้นแล้วใครจะรู้สิ่งเหล่านี้รู้เสร็จแล้วใครจะละใครจะปล่อยใครจะวางสิ่งเหล่านี้ได้นั่นแหละคือปกติปฏิบัติแล้วสําเร็จคือได้ผลมีการปฏิบัติ <c oughs> ในขณะที่กันถ้าความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่รู้ความหลงเกิดขึ้นก็ไม่รู้อันนี้ลําบากปรารถนาที่สุขจะเดียวทุกมีเอาอย่างนี้ <c oughs> หลักการนําผิดบมเลยเม่อพูดจากบอกว่าหลักการอันนี้คือเป็นวันนี้เป็วันที่ประกาศอันหลักการเป็นอย่างนี้นะเบื้องต้นคือจะไปทําบาปไม่ทําบาปอย่างเดียวไม่ได้ต้องทําบุญด้วยทาบุญเสร็จแล้วต้องายของเราต้องบริสุทธิ์คือชําระใจอันนี้คือหลักเลยเพื่ออะไรเเป้าหมายที่สุดก็คือจิตจะได้ไม่มีอะไรนี้เมื่อจิตไม่มีอะไรมันจะเบาเบามันก็ไปเร็ว มันไปไกลไปไหนเป้าหมายอุดมการณ์คือพระนิพพานเป้าหมายของเรคือพระนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งเป้าเอาชีวิตเราคือนิพพานซึ่งปัจจุบันทุกคนจะไม่รู้ว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไรสุดทก็ทําไปมันอยู่ไปวันกินนอนดื่มกินทําพูดคิดเที่ยวไม่รู้เป้าหมายคืออะไรเป้าหยคือทําตัวเองสุขที่สุดท่านยิ่สุขได้นี่คิดเอาเองนะคิดว่า พูดอย่างนี้แล้วเป็นคือกินอย่างนี้แล้วมีความสุขทำอย่างนี้แล้วมีความสุขมีอย่างนี้แล้วจะมีความสุขอันั้นเราคิดเราเองมันเข้าเราไม่ฟังกับพุทธเจ้าถ้าเราคิดว่ามีอย่างนี้มีเงินเยอะแล้วมีความสุขแล้วพุทธเจ้ามีเยอะกว่าเราทําไมท่านปล่อยหมดเลยยศทาบรรดาศักดิ์พุทธเจ้ามีกว่าเราเป็นราชาหมากรสจักรพรรดิแล้วทาไมพระองค์ไม่เอาทรัพย์สมบัติที่มีหมดทั้งหมดเทียบกับเราไม่ได้เลยแล้วทําไมไม่เอา ถ้าเราไม่ดูพระพุทธเจ้าโอปนัยกหันกลับมาดูพระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำของพระพุทธเจ้านี่คือบุษฐางจั น, รนทรกัจามีธรรมมังไม่มีเจ้าหลักการคือธรรมชาติมันสอนเราได้เย็นร้อนอ่อนแข็งดินนะ้ำใบลมอันนี้คือธรรมชาติที่มอยู่แต่มันสอนเราทุกวันสอนเราทุกเรื่องไม่มีอะไรที่มันไม่สอนเราต้นไม้สอนเร า, เราไหมสอน สอนว่าอย่างไรแล้วแต่คนมองสอนแล้วมองแล้วได้อะไรคิดอะไรทุกอย่างที่เราใช้เป็นเครื่องหมายเครื่องมือในชีวิตประจำวันล้วนสอนเราทำนั่นทุกเรื่องสือ่อภาพอาพอตปัจจัยสีที่เรามีอยู่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันสอนเราได้หมดแต่เราไม่เคยคิดว่ามันเป็นธรรมะ ม, มองบ้านก็มันเป็นบ้านเราคิดว่าบ้านมันเป็นธรรมะได้อย่างไร เนีเรากลับมาคิดใหม่อโอ้คนที่มีสติปัญญานะตัวเรียกว่ผู้เจ้าเป็นผู้มีสติปัญญานะจะใช้ของตงนี้ให้เกิดสติปัญญาอย่งไรก็พิจารณาทําไงให้มันบ้าน <c oughs> พิจารณาทำมองบ้านให้เป็นธรรมะคนที่มีบ้านอยู่อาศัยได้อื <c oughs> คนที่มีฐานะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบ้านเล็กบ้านน้อยบ้านใหญ่บ้านโตกระทบจนกระทั่ง คนไม่มีบ้านอยู่คนไร้บ้านเรียกว่าคนไร้บ้านจะบุคนไร้ร่อนจรจัดมันกันนะกเกียอืิ <c oughs> ไม่เห็นไหมคนเหมือนกันแท้ๆมีเท่ากันหมดนี่อะไรที่ม่ ม, ม, มีมือเท้าเขาสอกตาหูจุบุมีเหมือนกันหมดแต่ทําไมมีบ้านเขามีได้เพราะอะไรนี่ที่เราเรามีบ้านแล้ว <c oughs> บ้านเป็นที่พึ่งพึ่งของกายนะเป็นที่พึ่งใ น, ในบ้านมีอะไรบ้างที่มันเป็นธรรมะ <c oughs> ก็อรรมองให้มันเป็นธรรมะในบ้านมีห้องอะไรประกอบด้วยส่วนไหนโครงสร้างพื้นผนังหลังคาห้องนอนห้องน้ำห้องรับแขกห้องกินข้าวเห็นไหมโอเปนไอโซน้องก็ทะเองมองให้มันเป็นธรรมะหรือว่า บ้านหลังนี้เป็นธรรมะได้อย่างไรเคยพูดหลายปีแล้วเปรียบเทียบหลายปีแล้วว่าบ้านมันเป็นธรรมะชั้นยอดถ้าใครใช้บ้านเป็นไม่ใช่สวรรค์ชั้นธรรมดาสวรรค์ชั้นพรหมเลยนะถ้าใครใช้บ้านเป็นประโยชน์มันพรหมยังไงพรหมเข้าอยู่ได้คุณสมบัติของพรหมอยู่ได้สอย่างคือเมตตาก็ต้องมีเมตตานี่คือหลักๆลกัจองกรุณาอันนี้ปริยัตินะ เมตตาโมทิตาอุเบกขานี่คุณสมบัติของพรมถ้าใครอยเป็นพรมได้ต้องอยู่รั้วเสา น, นี้เ <c oughs> มตตาถ้าเป็นบ้านเราตรงไหนก็ตรงไหนเราจะใช้ดวยเมตตาไม่ใช่คนเ <c oughs> มตตาคือโครงสร้างของบ้านทั้งหมดจะเป็นโครงสร้างพกลื่อนกะับหลังหลังคาตรงเนี้เเมตต า, าถ้าโครงสร้างตงัวนี้ไม่มั่นคงบ้านอยู่ไม่ได้หมายว่าถ้าทุกคนไม่มีเมตตาบ้านร้าบ้านรัว่ว พื้นผนังหลังคาช่องหวงช่องโหวขึ้นมาเรียกว่าขาดเมตตามันเป็นช่องโหวขึ้นมาเดี๋ยวบ้านนี่ไม่มีเมตตามีก็มีน้อยในบ้านในกระดานที่มีเมตตาผนังสร้างแข็งแรงบ้านคงบ้านนังกระเรียบมีเมตตาข้อสร้างเมตากรุณาสงสาร <c oughs> ถ้าไปตรงๆเป้ า, ปอาสองสามมุทิตาก็ยินดี อุเปขา <c oughs> คือการวางอารมณ์กุเ <c> ป <oughs> ร, ราบเพื่อทางเมตตาการุณาคือความสงสาร <c oughs> มุทิตามโชคดีเมตต า, า, ามุทิตาอุเปขา <c oughs> การุณาความสงสารคือคือจะช่วยเขาพ้นทุกขทับแปลกง่าย ว่าการุณามารเจ น, นเห็นคนนั้นคนนี้ลําบากละ่ะคิดจะช่วยเขาพ้นทุกข์อันนี้คือความการุณาเียกว่ามหมายเพราะนั้นถ้าเป็นบ้านเราคืออะไรส่วนไหนที่เป็นเรื่องกรุณาห้องน้ําห้องสุขาคิดจะช่วยคนทุกข์คือห้องปล่อยทุกข์นั่นแหละบ้านถ้าไม่มีห้องนี้ไม่ได้ถ้ามีทุกข์เกิดมาไม่รจะไปปล่อยที่ไหนว่าจะเป็นทุกข์ดักทุกข์เบานก็ไปปล่อยห้องนี้แหละ หรห้องโกลูนาเนี่ยถ้าใครไม่มีห้องโกลูนาเนี้บ้านอยู่ไม่ได้แล้วมีห้องน้ําห้องปล่อทุกอยู่ไม่ได้อันนี้คือห้องไม่สคือกัน์ดมุทิตาห้องรับแขกแปลว่ายินดีมันต้องมีห้องรับแขกคนแขกไปไทยมาผู้ป่วยมาคุยเจรจาป่าใสคนนั้งไปคนนี้มาเดี๋ยห้องรับแขกอุปเเปรขาห้องสุดท้าย คือห้องวางอารมณ์คือห้องไหนห้องนอนเก็ น, นอนมันวางอารมณ์ได้ก็อรไปนอกมันไม่รู้ทึกเลยเลยเนี่ยเขาว่าอุปเบกขาเนี่ยถ้ามีครอบอย่างเนี้ยเราก็อยู่ได้สบายอยู่บ้านแล้วสบายสบายานี้ตั้งมาถามว่า <c oughs> วันวันหนึ่งเราอยู่ห้องไหนห้องเมตตาห้องกัลปนาเมตตาหรืออุปเบกขาทศเจ้าอยู่แบบห้องนันแกก็คิดทั้งวัน คือรับแขกคือกิเลสจอนมารับทั้งวันเลยแขกคนนั้นมาคือกิเลสตากค่คุยกันหมดคิดกันหมดปรุงกันหมดแต่งกันหมดอันนี้หาข้ไม่ได้ในนั้นก็มองไปทุกไม่ได้ห้องที่มาอยู่ห้องกรุณาช่วยไม่ได้อันนี้คือถ้าครบทั้งสีอย่างนันนคือคุณสมบัติล่ะบ้านไหนมีครบอย่างนี้หรือทำตัวอย่างนี้ได้ บ้านนั่นก็จะสบายคือมีเขบเขาเรียวกว่าพรหมวิหารอืมนี่คือเครื่องอยู่ของพรหมเลยเป็นเครื่องอยู่ของพรหมเลยนะถ้าใครทําอะไรคิดได้อย่างนี้บ้านั้นถ้าโครงสร้างไม่ดีนะโอ้ถ้าไม่มีโครงสร้างเลยยิ่ยงหนักเลยคือคนไรบ้านหนักเลยที่ในห้องทั้งหมดที่กล่าวมาทั้งหมดเลยสหรับคนไรบ้านแล้วไม่ต้องพูดถึงคนนึกไม่ออกเพราะไม่มีอะไรสักพอเลยนะเห็นไหม นั่นเราพนักานโโกเที <c oughs> ่เราอเราโชคดีเรามีครบเราไม่ได้ขาดเลยเรามีครบหมดทุกคนมีครบมีบ้านไหนจะได้บอกบ้านจรได้บอกคอนโดจะได้บอกห้องชุดเรได้บอกอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีสิ่งนี้นต้องครบนะอันนี้คือทำรรมาเรว่ายกสวรรค์ชั้นพร ม, มาไว้ที่บ้านถ้าใครทําได้อย่างนี้อยู่เป็นพรล่ะพรมนชั่นนี้แหละ มัน้อไปมันเราไปตายแล้วเกิดเป็นพิมพ์ถ้าบ้านถ้าบ้านไหนไม่มีอย่างนี้โอลําบากบ้านไห น, น, นไม่มีเมตตาร้าวอยู่กันนั้งหองนั่งแข็งทะเลาะเบาแหวงเพราะไม่มีเมตตาเป็นโครงสร้างเป็นเกราะเป็นคุ้มกันอันนี้คือความเมตตาการุณาก็เหมือนกันมีทุกข์แล้วเมื่อจะไปปล่อยที่ไหนสุดท้ายก็มันมันระบายแก่กันต่างคนต่างทุกข์กระส่ทุกข์รากันไม่มีทางออกเขาเรียกว่า ทุกไม่มีทางออกเพราะนั้นทุกแล้วมันมีทางออกแล้วมันก็สบายแต่ไม่มีทางออกคนที่ทะเลาะบอกกันมันไม่มีทางออกต่างคนต่างทะเลาะไม่มีทางออกเพราะฉะนั้น <c oughs> ทั้งสามอยา่างนี้เป็นกุศโลบายให้พวกเราเห็นว่าเออถ้าเราใช้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้เวลานี้จะใช้ได้อย่างไร ไปงั้นเราเก็บเป็นนู้นตายแล้วไปอยู่ชั้นพรมยังไงก็รู้เป็นยังไงก็ไม่รู้รรถ้าเราเลกได้อย่างนี้เปรียบได้อย่างนี้โอ้ <c oughs> มันเป็นพรมได้นะแต่พระสงฆ์ก็เจ้าก็เหมือนกันถ้ามีวิหารธรรมมีทําเป็นเครื่องอยู่เป็ได้พระสงฆ์เจ้ามีเหมือนกันมหนนีห้องนอนอาจจะจํากัดหน่อยหรือข้อจํากัดหลายอย่างแต่มันก็มีครบแต่จริงงเดียวก็จะไปรับแขกห้องเราแขกจะ่าไปนั่งนาน นั่งนั่งไม่ได้มันมีความสงบงในขณะเี่กันในห้องอุเปเคราดซูทวันมันต้องมีถ้าวันไหนไม่มีอุปเคราลองลองดูถ้าไม่หลับไม่นอนจะเกิดอะไรขึ้นลองดูความฟุ้งซ่านอารมณ์ที่ม่ากระทบหมดทุกมูทั้งหลายเรามาลองดูว่ากลางวันไม่พักกลางคืนไม่พักลองดูอารมณ์ที่มันพัดสะที่มันกระทบทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งปัจจุบันมันไม่ใช่ธรรมดาเลยจะข้ามคนสิ่งเหล่านี้ไ ด, ด, ด้ไม่ใช่ธรรมดา มันเจ็บมันปวดมันร้อนมันเผานราเรียกว่าเชื่อความเพียนเผากิเลสอาตาปีในในบทความวิปัสนาอารมณ์ความวิปัสนาก็ออาตาปีแปลว่าความเพี่ยนตามกิเลสให้ร้อนคือเผาตู้เราได้มันร้อนสติบาสัปเปชานอวอันนี้คือหลักปริยัติหลักความวิปัสนาวิปัสนาคือทั้งรู้ทั้งเห็นเราว่าวิปัสนาคือ คือรู้ด้วยเห็นด้วยเหตุต้องเห็นแจ้งตามความเป็นจริงด้วยเรื่อวิปัสนาไม่ใช่นึกเอาเองแล้ววิปัสนาที่เราเข้าใจกันเพราะนั้นคำว่าวิปัสนาคืออันนี้แหละคือรู้เห็นเข้าใจอย่างทุลุก ป, ปุง่งอย่างเช่นผูะวิหัสซีออมันเป็นอย่างนี้เองมันไม่ใช่ลึกรับซับซ้อ น, นอย่ายุ่งยา ก, กันที่เราเข้าใจมันไม่ใช่ว่ารอตายแล้วไปสวรรค์ตายเอาตอนนี้แหละนรกก็เหมือนกันแต่ี้ถ้าเปรียบเทียบถ้าจิตใจเราทําอะไรก็ตามคิดพูดทํามมันรูกร้อนร้าร้อน มันก็เป็นนรกทันทีเลยมันต้องไปร้องในขณะทศสวรรค์ทันนสบายใจมันโลกมันเบ้าไม่มีความีตกกลงบนมันสบายใจกันนั่นคือสวรรค์แล้วแล้วไปร้อยชาติน่าชาตินู้นชาติไหนก็ไม่รู้เหมือนงั้นก็เลยตายมารอเราตายแล้วค่อยไปเจอนรกเจอสวรรค์เราก็ไปจำอย่างนี้มาตานานแล้วจริงๆเรามาเกิดทุกวันนรกสวนรค์ต้องเกิดขึ้นกับเราทุกวันแต่เรามองไม่เห็นมันเท่านั้นเอง เพราะนั้นอันนี้คือทำมังตะนานก็นเงสังขังสะนางกระจาเนี่คือเนี่ยส่วนสุดท้ายที่เราพึ่งได้จริงๆสามาที่จะชี้แนะนําพวกเราได้เป็นบางอย่างเป็นบางเรื่องแบบอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ทําได้ทำไม่ได้พระเมครูอาจารย์เราีผ่านดอนผ่านน้ผ่านมาสารพัดเรามาถี่ชี้ที่จะนะให้เราให้เห็นหน้าตามความจริงคือเอาคำความของพระุทธเจ้าแล้ว อมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาที่ให้พวกเราเห็นว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคำกล่าวของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ก็อธิบายขยายความโดยที่ท่านเองก็ทดสอบทดลองเหมือนพระพุทธเจ้าทดสอบลองดูเองยืนเดินนั่งนอนกินดื่มนอนบ้างไม่นอนบ้างไม่นอนเลยอารมณ์เป็นยังไงในขณะที่นอนบ้างไม่นอนบ้างก็อารมณ์แบบหนึง่งไม่นอนเลยอารมณ์ก็เป็นอีกนี่คือความแตกต่ตางเพราะฉะนั้นท่านทดสอบทดลอง ดูอย่างเราส่วนเราเราไม่ต้องเลยเอาไปแค่ทบตามที่ท่านแนะนำที่ท่านนำเรียว่าเชื่อฟังบางอย่างทั้งหมดไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยมันไม่เหมือนกันไปทําเหมือนท่านเลยทั้งหมดทุกอย่างมันไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยมันไม่เหมือนกันสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันเหตุปัจจัยไม่เท่ากันอย่างไรก็ตามวันนี้ถือเป็นวันมงคลวันหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายได้พากันมาเพื่อน้ อ, นอมระลึกนึกถึงพุทธคุณของพระพุเจ้าคุณของ พระ อ, อริยะสาวก2ู5 0รูปในวันนั้นจนมีเราในวันนี้สองพกว่าปีมาแล้วก็ถือว่าพวกเราโชคดีที่ยังได้ยินยังได้ฟังยังได้พบยังได้เจอโ อ, อเปนัยโกน้อมก็อานตัวเองก็ถือว่าเป็นมงคลของชีวิตยิิงแล้วแล้วก็ักษาสืบต่ออันนี้วันละเล็กวันละน้อย <c oughs> คือทำกมดีทุกวันบางนะ้อยไม่เป็นไรส่วนความดีนะควจะลดละเลิก ซึ่งเป็ น, ห, นหลักการของพุทธเจา้าเอาไว้คําว่าพุทธเจ้าเนี่หมายถึงพุทธเจ้าทุกพระองค์องค์ไหนก็ตามที่ตัดรู้บนโลกใบนี้กลับไหนก็ตามที่จะปตัดรู้ก็จะพูดลักษณะนี้เหมือนกันคล้ายๆกันในหลักการอันเดียวกันอันเดียวกันเลยที่บอกเอตังพุท ธ, ธานศาสนังเป็นเช่นนี้คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ทั้งอดีตแล้วก็อนาคตใครที่จะลงมาโปรดไบริสัทเรองแล้วก็จะจัดอย่างนี้จะพูดอย่างนี้จะวางหลักการไว้อย่างนี้เหมือนก็ไม่ได้แตกต่างะหยากนี้เลยว่าจะไปพบไหนผู้เจ้าองค์ไหนก็ตามก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้คือหลักการวางหลักกา ร, กการที่วางเอาไว้พอหลังจากนั้นไปอีกประมาณสามเดือนผู้เจ้ากับปริยพานโบงาณก็ตายแต่ผู้เจ้าไม่ได้ตายอย่างเรา อย่างพวกเราเนี่ยตายแล้วก็มาเกิดแต่ผู้เชื่ตายแล้วไม่เกิดนี่คือข้อแตกต่างเรียกว่าผูธเจื่เนี่ยตายแล้วไม่มาเกิดอย่างเราแต่พวกเราเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอย่างน้อยที่สุดพระจักรพยานอย่างยียก็คือตอนนี้สองพันกว่าปีมาแล้วแสดงว่าเราตายเกิดตายเกิดมาสองพันกว่าปีมาแล้วนะไม่ใช่น้อยๆนะระยะเวลาไม่ใช่น้อยเรียกว่าเกิดพุทธการเรียกว่าเกิดพุทธการหมายว่าศาสนาของเราท่านพยากรณไว้ อายุได้ห้าปันปีวันนี้กึ่งแล้วนะเป็นผู้ดุการแล้วรู้เลยอย่าไปรอเลยแต่ทําได้ทําเลยอย่าไปรอทําให้มากสุดเท่าที่มากได้เพือ่อจะตัดภพตัดชาติการเวียนว่ายใจเกิดให้น้อยให้เกิดให้น้อยภพน้อยชาติให้น้อยที่เท่าที่น้อยได้ถ้าเป็นไปได้แต่อย่างน้อยที่สุดก็คือแต่ยังไปไหนไม่ได้ไปไกลมากกว่านี้คือกลับมาเป็นคนเป็นมนุษย์ก็ยังดีแต่ก็น้อยนะเป็นมนุษย์เป็นคนอยู่ดีที่กลับมาเป็นคนอีกก็น้อย ก็ดูความพื้นการกระทําของเราแต่ละคน <c oughs> มันต่างกันที่ไหนมนุษย์เราทุกคนเราในโลกนี้นปัจจุบันก็ประมาณ8ปด0ัล้านแต่คนที่เจอผู้ศาสนาแล้วก็ปฏิบัติเข้าถึงหลักการอย่างนี้จะมีสักกี่คนมันก็ยิ่งน้อยเราไปอีกวันแบบนั้นท่านถึงบอกว่าเป็นคนยินดกลับมาเป็นคนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้ตอให้เป็นเทวดาแล้วกลับไปเป็นเทวดาอีกก็ไม่ใช่น้อยยังไงในขณะนี้กันเป็น เป็นอยู่ดีเนี่ยอาจจะทำกว่านี้อีกตกามความตาคนเราดูจำนว น, นประชากรนะระหว่างคนกับสัตว์ค น, เ, นเราวัดได้ประมาณ8 0พันล้านนะแล ะ, ะสัตว์ประสาททั้งหลายบกน้ําใต้น้ําเราคิดว่า8ปพันล้านอยู่ไม่ใช่มันไม่รู้กี่ร้อยเท่าตัวอะไรแนั้นแต่ น, นั้นคือจิตเหมือนกันนะเขาก็มีจิตเหมือนกันนะแต่พัฒนาอะไรไม่ได้เลยเพราะนั้นเราจะภูมิใจว่าเออเรานี่ เกิป็นคนเป็นมนุษย์เจอพุทธศาสนาอย่าให้มันต่ําไปกว่านี้เลยโดยความคิดคําพูดการกระทำกระทาอย่าให้มันต่ํากว่านี้ต้องอย่างน้อยตกว่าสเสมอหรืออย่างน้อยอีกอคือสูงกว่านี้เราก็คือผู้จิตใจสูงก็คือมนุษย์นั่นเองเพราะนั้นวันนี้เราจะได้มานอ้อมรู้ถึงพุทธคุณของพระพุทธเจ้าที่วางหลักการเอาไว้ให้พวกเราจูงจงมา2องปันกัปปีมาแล้วเราทั้งหลาย ลูกเลมล้านโหลน <c oughs> ขอพระองค์โระเจริญรอยตามท <c oughs> ังนจากนี้ไปเราก็ได้กล่าวคำบูชาเพื่อน้อมรูกถึงก็ได้เวียนอ <c oughs> ุปสรรคสามรอบในอุคต่อไป